15หนาที20สนาทีปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าแทนคุณท่านกว่าท่านจะได้ธรรมะม า, มายากเย็นแสนเก่นเราภาวนาตามท่านคนที่ค้นคว้าบุกเบิกนะยากคนเดินตามจะไปยากอะไรเห็นรอยอยู่แล้วว่าเขาเดินกันทางนี้คนที่เดินคนแรกเนี่ยโอ้ลำบากไม่รู้ว่าจะไปทางไหนอันไหนถูกกันไหนผิดนะต้องลองแล้วลองอีกอยู่นั่นแหละนัเลยใช้เวลานาน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 ท่านเป็นเรียกธรรมราชาราชาของธรรมะเป็นศาสดา น, นท่านเมตตาสรรพสัตว์จำนวนมากคนจำนวนมากมนุษย์เทพรมจานวนมากคำสอนของท่านเลยกว้างขวางหลากหลายแต่ถ้าเราไปดูในพระสูตรนะเราจะเห็นด้ว่าคาสอนที่ท่านสอนคนคนหนึ่งเพื่อบรรลุมักผลนิพพานนะนิดเดียวไม่ได้เยอะอะไรหรอก อย่างสอนปัญจวัคคีนะเทศสองขันเองอันแรกเรื่องธรรมจักรกับพวัตนสูตรว่าทางสายกลางเป็นยังไงอย่าสุดตรงไปข้างตามใจกิเลสอย่าสุดตรงข้างบังคับตัวเองทรมารการทรมารยใจเดินอยู่ในทางสายกลางของศีลสมาธิปัญญาเอาเทศการที่สอ ง, องเทศเรื่องความเป็นอนัตตาของขันห้า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 ปลาตัวนี้ลงแม่น้ําอย่าไป น, นึกถึงตอนปล่อยปลาลงกระทะนะปล่อ <Yeah. S 1> ยลงแม่น้ําตัวหนึ่งต่ลงกระทะหลายตัวอย่างเงี้ยถ้าเราไปคิดซ้ํานะเท่ากับทาบาปใหม่เลยบุญทั้งหลายเนี่ยถ้าเราทําแล้วเราคิดซ้ําเนี่ยได้บุญอีกนะจิตมันจะขึ้นวิธีที่เป็นกุศลใหม่ได้บุญใหม่นะงั้นอย่างเราได้ทําทานปล่อยปลาตัวหนึ่งได้ทําทานหรือคนมาด่าเรา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 รักษามาได้สามเดือนนะออกพรรษาแล้วเวลานึกได้ว่าเรารักษาศีลมาสามเดือนนะวุ้ใจมันจะมีความสุขนะมันจะมีความสุขมันจะอิ่มเอิบเมิกบานใจพอมาอิ่มเอิบเมิกบานใจมีความสุขนะสมาธิเกิดเลยเพราะเมื่อไหร่ใจมีความสุขนะสมาธิมันจะเกิดสมาธิมันเกิดจากความสุขความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเนี่ยเรานึกถึงคนดีๆ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 คิดอย่างนี้ใจก็ค่อยๆเชื่องค่อยๆสงบไปเนี่ยสำหรับพวกชอบคิดมากนะทำไมหลวงพ่อสอนตรงนี้เยอะเพราะพวกเรายุคนี้เป็นพวกคิดมากนี่บางคนจะทํากรรมฐานจะไม่ให้คิดจะมารู้แต่ลมอย่างเดียวไม่ให้คิดจะดูให้เห็นเป็นปฏิภาคนิมิต่เห็นแสงสว่างจะเจริญเมตตาปรมัญญาอะไรต่ออะไรใจ ไ, ไม่ค่อยไหวใจมันช่างคิดนั่งทําอะไรนิดเดียวก็วแอบไปคิดละถ้ามันช่างคิดมากก็พามันคิดเลย ไม่ต้องไปฝืนมันแต่มาคิดในเรื่องที่ควรจะคิดที่พระพุทธเจ้ากําหนดไว้ให้ก็มีอยู่ในเรื่องที่เรว่ออนุสติอนุสติสิบประการเราไปคิดเรื่องพวกนั้นแหะดีถ้าจะพูดก็พูดสิ่งที่เรียกว่ากถาวัตถุสิบประการถ้าคุยกันเรื่องนี้ดีคุยเรื่องการทําทานรักษาศีลเรื่องทําสมาธิเรื่องมากน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารบความเพียรอะไรพวกนี้ก็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 หรือมันยาวไปก็ให้มันสั้นกว่านี้นะพุโทโธพุโทโธพุทโธแค่นี้ก็สั้นแล้วนะหรือว่านโมอย่างสั้นไปเอาให้มัยาวกว่านั้นอีกเอาอีกดีพิสูจน์ก็ไดนะ้ดูตัวเองแค่ไหนพอดีสวดแค่ไหนแล้วสบายใจตัวนั้นแหละพอดีสําหรับเรานะแต่ไม่ไม่พอดีสําหรับคนอื่นนะเนะนี่ยเราดูตัวเองว่าเราทํากรรมฐานอะไรแล้วสบายใจนะเราก็ทกํากรรมฐานอันนั้นแหละเราจะได้สมาธิขึ้นมา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 โอกาสที่แม่ใจสงบใจวิเวกอย่างสมัยครูบาอาจารย์ทำยากครูบาอาจารย์เรารุนเนี่ยดูรุ่นนี้ยังรุ่นเล็กนะรุ่นใหญ่ๆเนี่ยรุ่นอย่างเนี้ยทั้งบ้านทั้งเมืองมีแต่ป่านะาท่านก็อยู่กับป่าอยู่กับเขาอยู่กับถ้ำให้ท่านมาดูจิตท่านจะดูอะไรไม่มีอะไรมันเงียบเงียบสบายนะท่านก็ดูกายทำความสงบแล้วก็มาดูกาย เข้าเข้าใจติดนะนี่รุ่นรุ่นท่านอยู่ป่าอยู่เขาข้างหลังนอ่ะรุ่นอยู่ในเมืองนะมีอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวมากเลยเพราะทุกวันนี้มันไม่มีป่าแถมป่าไม้เขาห้ามพระไปทุดงอีกน่ะก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยถ้าไปก็ต้องขอนุญาตอะไรอย่างเงี้ย ก็เห็นใจเขาเหมือนกันพระเข้าไปแล้วไม่ยอมออกก็พาชาวบ้านเข้าไปด้วยตหลังก็บุก ป, ป่าแล้วก็หวงป่าขึ้นมาเนี่ยสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนแล้วเราจะทำกรรมฐานนะทำฌานทำอะไรให้มันสงบมิเบกเลยนั้นยากขัดสามันแรงนะงั้นเราทำฌานไม่ได้เนี่ยออกมาดุ ก, กายยากนะกายานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับสมถียานิกหลวงพ่อไม่ได้พูดเองนะเนี่ย ใครจะเชื่อไม่เชื่อไปเถียงกับพระอภิธรรมเอากายานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับสมถียานิกเหมาะคนเล่นฌานส่วนจิตตานุปัสสนาการดูจิตดูใจเนี่ยเหมาะกับวิปัสสนาญาณิกพวกที่เดินวิปัสสนาไปก่อนจเจริญปัญญาไปก่อนทําฌานฌานจะเกิดทีหลังแต่เดินปัญญาไปเต็มภูมินะจิมจะรวมเข้าฌานเองน เข้าเองเราไม่ต้องเข้าเราไม่เข้าของมันเองเั้นเมื่อยุคนี้สมัยนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะทำฌานนะัะมันยากผัสสะมันก็รุนแรงทุกคราวที่ตามองเห็นใจก็แหวงทุกคราวที่หูได้ยินเสียงใจก็แหวงจมูกได้กลิน่นใจก็แกว่งลิ้นได้รสใจก็แกว่งเดี๋ยวนี้รสก็เยอะใช่ไหมรสรสชาติของกิน่ะหลากหลายสมัยครูบาอาจารย์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 คนก็แต่งตัวเหมือนๆกันเดี๋ยวนี้คนก็ทำผมยังไม่เหมือนกันเลยมีให้ดูเยอะกลิ่นก็แปลกๆ แ, ก, แ, ก, แก่อนมีแต่กลิ่นดอกไม้ไม่กี่อย่างนีเดี๋ยวนี้สารพัดกลิ่นเลยกลิ่นน้ำเน่ากลิ่นควันรถเนี่ยก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมสารพัดจะกลิ่นเลยกลิ่นมากระทบใจเราก็แข็งเมื่อเราเนี่ยได้รับการกระทบอารมณ์นะทางตาหูจมูกลิก้นกายใจนี่อุตลลดเลยทั้งวันใจคิดจิตก็แข็ง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 ถ้าตาหูจบอกนิ้งใจใจกระทบอารมณ์นะแล้วสติเราเร็วนะเราจะเห็นมันมีความไหวความไหวความสะเทือนขึ้นทางกลางหน้าอกเนี่ยจะสะเทือนขึ้นจากกลางอกนะตามองเห็นเนี่ยสะเทือนขึ้นมาหูได้ยินเสียงสะเทือนขึ้นมาถ้าสติเราไหวเราเห็นความไหวขึ้นกลางอกมันจะไม่ปลุกต่อจะเห็นความไหวเกิดขึ้นแล้วกระดับไหวขึ้นแล้วกระดับแต่ว่ามันจะไม่รู้ว่าคืออะไร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 จับหนูจับชิ้งจบไหมจับแล้วมากินทันทีไหมยังไม่กินต้องเขียเขียเขียเขียให้มันวิ่งมันวิ่งก็โดดตะครุบอีกนุสนุกนะล่าไปเรื่อยเคยเคยดูเคยเห็นไหมบ้านไหนมีแมวมีไหมถึงแมวหมาตัวเล็กๆหน่อยก็เป็นนะก็สัญชาตญาณมันใจเราเนี่ยเหมือนไอ้พวกนี้แหละมันมีสัญชาตญาณใช้ไล่ตะครุบอารม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 มือเดียวไม่พอกับความดีงามของเรายกสองมือไมเลยยอมแพ้คือไม่มีดีเหลือเลยจิตใจที่ดีงามอย่างเราเห็นใครล้วก็เมตตาสงสารนะสุขหรือทุกข์บางทีสงสารคนอื่นทุกข์นะกรุ่มใจแทนเขาเคยไหมกรุ่มใจแทนคนอื่นนี่แหละความทุกข์ของคนดีครุ่มใจแทนคนอื่ น, น ตัวเราเองไม่มีปัญหาแล้วแต่รุ่มใจแทนชาวบ้านในะทุกแบบคนดีมีเมตตากรุณาเมตตากรุณามากเลยทุกมากเลยนะทุกมากเข้ามากเข้านะช่วยเขาไม่ได้ใจเศร้าหมองตกนรกเองเลยคราวนี้นะใจพลิกกลับง้นไม่ว่าเราจะได้พบที่ดีนะได้รูปนามที่ดีได้พบเลวนะได้รูปนามเลวตัวที่ได้รูปนามมาเรียกว่าชาตนะิมีพบแล้วมันก็มีชาติมีชาติแล้วมันก็มีทุก พั้นมีชาตินะเกิดมาด้วยกุศลแท้ๆเลยนะมีกายมีใจขึ้นมาก็ายังได้ตัวถุกมาด้วยนะเพราะกายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกเนี่ยเวลาที่เราจะทำกรรมาฐานนะเราก็ดูเอาดูเอาเองถ้าเราดูจิต ด, ดูใจได้ไวนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เราเห็นมันสะเทือนขึ้นแล้วก็ดับสะเทือนแล้วก็ดับเห็นแค่นี้กยยังพอเลยนะ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 จิตที่มีความสุขเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปจิตที่มีความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปจิตที่เฉยเฉยเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปหากดูแค่นี้แหละมรู้พระอรหันต์ได้นะขั้นอานาคาเนี่ยได้แน่นอนนะหรือดูจิตดูใจจะเห็นอะไรอีกนอกจากสุขทุกข์จะเห็นดีเห็นชั่วบางครั้งจิตเราก็เกิดอารมณ์ที่เป็นกุศลนะบางครั้งเราก็เกิดสภาวะที่เป็นอกุศล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 ตารางการทำงานของพุทธเจ้าแล้วจะรู้นะงานหนักจริงตื่นแต่เช้ามืดนะฟ้ายังไม่สว่างเลยตรวจโล ก, กาธาตุแล้วว่าวันนี้จะไปสอนใครสำรวจก่อนวันนี้จะสอนใครเห็นไหมไม่ได้สอนตามยาถากรรมมีส케จัลรูวันนี้จะไปสาสอนใครจะไปสอนที่ไหนจะไปสอนอย่างไร จะสอนด้วยธรรมะบทไหนสอนแล้วจะมีผลอย่างไรเนี่ยนักวางแผนชั้นเลิศเลยนะถ้าเราวางแผนแวเวลาเราทําธุรกิจใช่ไหมเราต้องวางแผนมาหมดเลยเราจะทําอะไรธุรกิจตัวไหนจะทําอย่างไรใช่ไหมเรามีทรัพยากรยังไงมีต้นทุนไงมีสิ่งแวดลอ้อมทางบวกทางลอบอะไรไหมทำแล้วจะได้ผลสักเท่าไหร่ใช่ไหมต้องประเมินด้วยต้องคาดการไว้ด้วยปีนี้ต้องกําไรร้อยล้านอะไรเงี้ยต้องคิดไว้พระเจ้าท่านบอ เช้าขึ้นมาแนละท่านสำรวจเลยวันนี้จะไปสอนใครไปสอนที่ไหนสอนอย่างไรสอนแล้วจะมีผลอย่างไรนะถึงผลเลยนะเสร็จแล้วก็พอเช้าขึ้นม า, าไปบินธบาตตนะานไปบินธบาตระหว่างบินธบาตนะิไม่ใช่ไปขอข้าวชาวบ้านกินนะแต่ไปเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้ทําบุญเนะีเพราะว่าท่านนะเต็มเปี่ยมแล้วท่านไม่ได้ท่านอยู่วัดเฉยๆคนก็เอาข้าวไปให้กินนะนี่ท่านออกไปบินธบาตทําไมต้องไป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 หรปริยัติกีับปฏิบัตินะเจอกันจซัด ก, กันตายเลยนะเหมือนมีพระพุทธเจ้าคนละองนี่ท่านไปคุยกันนะคุยกันถ้าเขาเห็นดีเห็นงามเขาก็เปลี่ยนาศาสนาถ้าเขายังไม่เห็นดีเห็นงามก็คล้ยๆทิ้งประเด็นไว้ในใจเขานะท่านก็กลับวันนี้ก็จบแค่นี้นะได้ตามที่เป้าหมายที่ต้องการรู้คนนี้ยังไม่ได้ตอนเนี้ยแต่อีกเท่านัน้นเท่านี้ปีเขาจะปิ้งขึ้นมา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 เขาเคารพนะเขาแลบลิ้นแสดงล่ามเคารพนะแต่พวกเราอยากเคารพหลวงพ่อแบบนั้นนะเพราะวัฒนธรรมไทยไม่อื้อนะอย่ามาเจอหน้าหลวงพ่อก็น่าเกลียดนะแล้วก็สายหัวเลยอนันตชินะคนไทยอ่านว่าเขาสายหัวแลบลิ้นสายหัวไม่นับถือสายหัวของแขกเนี่ยโอ้เห็นดีเห็นงามเวลาไปอินเดียเนี่ยปวดหัวมากเลย นะมันถามอะไรเราพยักหน้านะถามจะกินอันนี้ไหมยพยักหน้ามันเก็บเลยนะพยักหน้าเพรว่าโนถ้าจะไม่เอาต้องอย่างนี้ถ้าจะเอาโนะย่งะมัดเลยเนะี่ยอุปกาชีวกนะแลบลิ้นสายหน้าก็ไปแค่เนี้ยพระเจาพอใจละท่านสอนท่านี้แหละหลายปีผ่านมานะอิตาอุปกาชีวกเนี่ยอยู่กับเมีย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 ท่านท่านให้เชื้อไว้นิดหนึ่งท่า น, นั่นเองถึงวันหนึ่งก็เติบโตงอกงามขึ้นมาเนี่ยภูมิของพระพุทธเจ้าสาววกทําให้เป็นออกขนาดนั้ น, นไปบินธบาศฉันอาหารเสร็จแล้วโยมก็มาวัดอีกละไปบายโยมทำไร่ทานาเสร็จแวะมาวาดัดมาฟังธรรมฟังธรรมเสร็จแล้วค้ามขามสอนพระ อ, ะอีก หรือบางกลางวันเช้าบางทีพระจากต่างจีนก็เข้ามาบ่ายๆพระเข้ามาเรียนกรรมฐานตกเย็นชาวบ้านเสร็จงานล้วเข้ามาเรียนตกดึกตกดึกถ้าสอนพระถ้าดึกๆบางทีพวกพระเจ้าแผ่นดินมาสอนอีกพระเจ้าแผ่นดินไปพวกเทพจะมาพวกเทพจะมาตอนดึกๆึกรอให้คนไปก่อนรุงานท่านหนักมากนะท่านมีเวลาพักวันหนึ่งนิดเดียว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 มันเยอะพอๆกันไม่รู้อะไรมากน้อยกว่ากันี่ไปดูเลยนะเราเป็นคนช่างคิดฟุง้งซ่านเก่งนะงนั้นกรรมฐานที่หมอเราอ่ะถ้าจะทำกรรมฐานสมถะนะก็ใช้กรรมฐานที่ต้องคิดหน่อยนะคิดถึงความตายคิดถึงร่างกายคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยนะมันชอบคิดวิภาคิดแล้วถ้าจะทำวิปัสสนาก็ดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปค่ะขอบคุณค่ะกรรมกการะ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 เวลาที่เราภาวนาดีน้ำมันมันจะแกล้งนะบางทีมันกระตุ้นกิเลสเราให้แรงกว่าความเป็นจริงครับหลวงพ่อรู้สึกไหมมันถูกแกล้งถูกกระตุ้นรู้สึกครับผมน้มานเนี่ยมีหลายพวกหลายพวกนะมีห้าจำพวกครับมานภายในก็ส่วนหนึ่งนะมานภายนอกก็ส่วนหนึ่งมานภายในก็กิเลสมานขันธ์มานอภิสังขารมานพวกนี้นมัดจุมาัเนี่ยทํำลายตัวเองทําให้ตายแล้วก็ มารข้างนอกเนี่ยเล็กเทวพุตตมารพวกที่มีฤทธิ์มีเดชอะไรที่ขี้ฉาอะไรอย่างเงี้ยแกล้งงั้นวิธีก็ต้องป้องกันตัวเป็นเจริญเมตตาไว้เจริญเมตตาคิดถึงพระุทธเจ้าสิ่งที่ชนะมารได้ก็คือพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละครับหลวงพอ่อของคุณนะจิตไม่เข้าบ้านนะจิตออกข้างนอกให้เรารู้ทันว่าจิตออกนอก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 เห็นจิตมันหนักๆฮะแล้วมันเหมือนปวดปวดเจ็บเจ็บนในร่างกายหรือในจิตในจิตครับแต่ช่วงนี้เขาเบาไปนะจเจริญเมตตาไว้ครับ<ะ>เวลาเราจะข้ามพพข้ามชาตินะมนันไม่ปล่อยหรอกขนาดพระโพธิสัตว์เสียตรัสรู้นะมั น, ะมนยังต้องมาขวางเลยของเราผลกรรมเก่าๆบางทีก็ามารวดเราแกล้งเรา ที่พวกที่อาฆาตพยาบาทเราก็มีพวกมารก็มีก็แกล้งทำลายให้ใจเราหวั่นไหวเราก็สลบชีวิตเลยไ ม, ไม่ถอยคิดถึงพระพุทธเจ้าไว้ถ้าจะเจ็บถ้าจะตายนะขอถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาคิดอย่างนี้เลยนะเพราะพระพุทธเจ้าก็สู้มารเราลูกหลานพระพุทธเจ้าบาปกรรมของพงทำมาเยอะกว่าท่านเสียอีกไอ้ที่จะสบายนักหนาเนี่ย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 แล้วแล้วอย่างผมนี้คือทำธรรมถะได้ไหมครับต้องทำจิตนะทําอะไรมากไม่ได้ก็สวดมนต์ไปสวดบทสั้นๆนะนโมตัสสะพระผภวะโตัวนะตัวสัมมาสมัมพุทธัสสะสวดวันหนึ่งหลายๆร้อยรอบก็ได้ใช้ใช้สวดมนต์ะครับหรือว่าควรจะทํากรรมฐานกองไหนครับช่างคิดอ่ะช่างคิดอ่ะสวดมนต์ไปก็ได้นะครูบาอาจารย์ถ้าเล่นพุทโธพุทโธด้วยซ้ำไปเวลามันจะคิดมากนะก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธ เวลาใจมันไม่ค่อยคิดกับพุทโธพุทโธพุทโธไปพุทโธแล้วก็รู้ทันใจพุทโธแล้วใจหนีไปคิดก็รู้พุทโธเราเกิดสุข ก, ก็รู้พุทโธเราเกิดทุกข์ก็รู้ที่ท่านฝึกกันฝึกพุทโธเราก็รู้ทันจิตไปเดินปัญญาต่อไปได้ด้วยแต่กรรมฐานนะไปดูเอานะทํามันไหนแล้วสบายใจก็เอานั้นแหละมันจะสงบไปดูเอาแล้วกันครับหลว ง, <อ>งพ่อสอนหลักให้ช่วยตัวเอง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 เวลามันเสื่อมกิเลสจยขึ้นมาได้อีกไม่ต้องตกใจคก็ดูไปอีกดูไปจนวันหนึ่งมันเป็นสมาสติเป็นขั้นมรรคแล้วล้างกิเลสแล้วก็ล้างเลยตอนเนี้ยไม่กลับมาอีกล ะ, ะแต่ตอนนี้ยังกลับได้อยู่งั้นไม่ประมาทตอนนั้นแหละนะดูไปค่ะหนูดีขึ้นเยอะเลยใช้ได้คขอบพระคุณค่ะ กราบนามัสการหลวงพ่อค่ะมาส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะก็มีการปฏิบัติในรูปแบบเวลา15นาทีแล้วก็มีทํา KPI ด้วยวค่ะค่ะเป็นตารางก็จะมีตื่นมาก็มีฉันเป็นคนมีสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีรูปแบบ15้านาทีรู้สึกตัวค่ะแล้วก็มีดูสภาวะค่ะก็รู้สึกว่ามีความรู้สึกตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็เรื่องสีนะคะออค่ะทําได้อย่างนั้นก็ดี แต่ต่อไปมันไม่ต้องคอยมาบอกเรานะมันจะเป็นอัตโนมัติขึ้นมาในเครื่องมือนี้ก็ใช้ในช่วงแรก น, นั่นแหละพอเราชำนาญแล้วมันก็ไม่ต้องมาใช้เครื่องมือเ ก, กอะกะหลวงพ่อได้ยินทีแร ก, กงงๆอะไรนะ KGB หรืออะไร <laughs> เดี๋ยวนี้มีดรเมาสดรเมาไปเอาไอ้เรื่อง K อะไรเนี่ยแหละ KPI ค่ะเ KPI เอาธรรมะที่หลวงพ่อสอนนั่นแหละ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 ก็ทำไปก่อนจนมีวินยัยใช่ไหมคะ<ช>แล้วก็มาส่งกันบ้างตัวตัวนี้จะได้วินยัยจะแก้ขี้เกียจแต่ด็อกเรเมาส์งก็บอกว่าตั้งหลายสิบคนนะทำได้สิบคนนอกนั้นไม่มีวินยัยค่ะค่ ะ, คะก็ช่วงนี้ก็จะรู้สึกว่าฟุ้งบ่อยค่ะมีความฟุ้งแล้วก็บางทีก็มีการแทรกแซงค่ะดีะได้อย่างนั้นก็ดีแล้วฟุ้งรู้ว่าฟุ้งแทรกแซงรู้ว่าแทรกแซง ก็ถูกแล้วนี่ก็ามาขอกันบ้านหลวงพ่อค่ะอย่าไปบังคับมันดูอย่างที่มันเป็นยังแทรกแซงอยู่ยังชอบแทรกแซงแล้วก็มีติดภาคด้วยอะค่ะภาคนี้ห้ามไม่ได้นะภาคเนี้ยภาคหลายปีค่ะกว่าจะเลิกภาคหลายปีทนทนฟังมันภาคไปก่อนได้ค่ะห้ามมันไม่ได้ก็ต้องทนเนยะ เหมือนใครมีเมียขี้บ่นนะห้ามไม่ได้ก็ต้องทนฟังเอาหรือสามีนิสัยไม่ดีเลิกกับมันก็ยังไม่ได้ก็ต้องทนเอาเนี่ยใจนี่มันขี้บ่นนะชอบพากห้ามมันไม่ได้ทนเอาค่ะแล้วก็กรรมฐ า, านตอนนี้ก็จเจริญเมตตาค่ะดีหมอมากเลยค่ะนะถูกชี้โมโหค่ะครัอบต่อไปขอบคุณค่ะคนนี้จะถามอะไรพึา <c oughs> น, นาใช้ได้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 ไปเรื่อยๆนะแล้วตอนหลังมันจะเข็ดใจเนี่ยมันจะเข็ดเลยเฮ้ยเอาอีกแล้วจะคิดเรื่องนี้อีกแล้วอย่างนี้นะมันเลิกเลยนะอันนี้เรื่องจริงนะลองไปทําดูถ้าชอบคิดซ้ํำซาก น, นะ<ง>เขียนเลยหรือถ้าชอบบ่นซ้ำซากนะบ่นหนึ่งครั้งขีดหนึ่งทีแต่ต้องเจ้าตัวขีดเองนะถ้าคนนี้ขี้ บ, บ่นเราไปขีดแทนเขาเนี่ยไม่ได้ผลเขาจะขีดหัวเราเอานะ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 หนูขอคําชี้แนะค่ะแล้วก็ขอถวายการปฏิบัติทั้งหมดเป็นพุทธบูชาเออสาธุขอคําชี้แนะด้วยค่ะว่าหนูควรจะทํำยังไงใจเราฟุ้งเก่งค่ะหาเครื่องอยู่แล้วก็รู้ทันจิตไปจะอยู่กับพุโทโธลมหายใจอะไรก็ได้แล้วก็รู้ทันจิตครับกรนมัสการหลวงพ่อครับออผมเพิ่งฟังซีดีแล้วก็เริ่มฝึกดูจิตได้มาประมาณเดือนกว่าสองเดืนเยอนระยะทีห่หลวงพ่อผมทําถูกวิธีไหมครัเห็นกิเลสยัง บบ้างครัเ อ, อตัวไหนเกิดบ่อยโรคโกรธหลงทั้โลคทั้งโกรธนะตัวไหนเกิดบ่อยนะเราก็เอาตัวนั้นเป็นฐานเป็นหลักไวนะ้พอมันเกิดเราก็รู้มันหายไปเราก็รู้เพราะฉะนั้นะโลคบ่อยโกรธบ่อยก็เห็นโลคเกิดแล้วก็ดับโกรธเกิดแล้วก็ดับนะหัดดูเรื่อยๆช่วงแรกๆดูอย่างนี้นะแล้สติจะดีขึ้น mm hmm. การที่เราหัดดูสภาวะบ่อยๆเนี่ยเบื้องต้นที่เราจะได้คือได้สติ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 เพ ะ, ะคุณไปหัดเห็นสภาวะบ่อยๆนะสติมจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นศีลสมาธิเป็นอย่างจะดีขึ้นสตินี่เป็นของสําคัญที่สุดเลยผูนะ้เจ้ายกย่องสติสัมปชัญญะเป็นธรรมมีอุปการะมากสัมปชัญญะเป็นความรู้ว่าเราจะต้องทําอะไรรู้รอ ร, ร, รู้ตัวไม่หลงลืมสิ่งที่เราควรจะกระทำนะสติเป็นตัวรู้ทันมีอะไรเกิดขึ้นรู้ทันมีอะไรเกิดขึ้นรู้ทัน คูบาาจารย์สอนหลวงพ่อมาหลวพุทเทศน์สอนว่าสติจําเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อว่าเราฝึกสติให้มากวิธีจะให้เกิดสติก็คือหารู้สภาวะบ่อยๆแล้วสติจะเกิดเองอันนี้หลวงพ่อไม่ได้สอนเองนะเนี่ยอยู่ในตําราของเราเลยล่ะตอนนี้ใจเป็นยังไงใจโลภใจโกรธใจหลงใจสุขใจทุกข์สุขใจสุขใช่ไหมใจสุขก็เห็นใช่ไหม รู้ไปเรยนะต่อไปมีความสุขขึ้นมาปุ๊บจะรู้เองมีความทุกข์ปุ๊บจะรู้เองตรงที่รู้ได้เองนั่นแหละปัจจิตมันเกิดอัตโนมัตินะนะแล้วศีลสมาธิปัญญาจะค่อยดีขึ้นดีขึ้นตัวนี้ตัวสําคัญที่สุดเลยเครื่องมือสร้างเครื่องมือก่อนกราบน้ำพระสการหลวงพ่อคะ่ะที่ผ่านมาลูกอยู่ต่างประเทศตลอดเคยได้มีโอกาสกับมาสงการบ้านหนึ่งครั้งเมื่อสองปีก่อนท่านดูให้ว่า ออหวังสงบแล้วก็หวังผลเร็วๆไปตอนนี้ก็ก็ปฏิบัติให้เป็นปกติไม่คิดอะไรก็ผ่านมาก็ทํามาตลอดนะคะใช้วิธีสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็เดินจงกรมออันหนึ่งแต่ที่ผ่านมาเหมือนเดินเดินจงกรมทีไรมันมันเหมือนจะเคลิมหลับทุกทีนะคะไม่ทราบไม่ทราบว่าทํามานานแล้วมัน ม, นมีมีการเปลี่ยนแปลงมันเหนื่อยมากหรือเปล่าหรือยังไงทำไมมันเดินแล้วหลับ คแล้วยิ่งถ้าฟังสวดมนต์ไปด้วยมันจะเคลิมแล้วเมือนไม่ปกติที่เราทํามะหากินอยู่หรือเราใช้ชีวิตอยู่นี่มันเหนื่อยมากไหมสงสัยว่าตอนเย็นๆอาจจะเหนื่อยนะถ้าถ้าเย็นๆทําไม่ไหวแล้วก็ทาําแต่เช้าค่ะพอดี <ๆ S 1> มีภาระนอนให้เร็วขึ้นค่ะตื่นให้เร็วขึ้นคือที่ผ่านมาลอะเป็นปรับเวลานหนึออ่งจะช่วยตัวเองได้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 แล้วมาถึงโชคดีว่าแท็กซี่มาช้าก็เลยหยุดทันก็ลุกขึ้นมาก็ไม่มีความรู้สึกว่าตกใจอะไรอะไรก็เลยมานั่งคิดดูว่าสงสัยนั่นแหละผลของการภาวนาสมมติว่าเราตกลงไปจริงๆนะแท็กซี่ทับเราตายนะแล้วก็สุขติช่วงนั้นเราคิดเลยค่ะว่าเอะเรากําลังจะตายหรือเปล่าพอดีเห็นแท็กซี่ค่อยๆขยับใกล้เข้ามาแต่ช่วงนั้นมีความรู้สึกว่ไม่ได้ตกใจอะไรอะไรก็เนั่นแหละจิตที่เราฝึกไว้ดีแล้วเป็นอย่างนั้น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 ไหว้พระสวดมนต์ตามปกติตามปกติแต่ว่าเราตั้งใจว่าเราปฏิบัติเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาอะไร <c oughs> นะถ้าเราปฏิบัติเพืก็จะห <c oughs> วังว่าจะดีใจยอย่างโน้นใจอย่างนี้นะจะ <c oughs> เครียดไปแล้ว <c oughs> อ, อไม่ทราบจะลูกจะขอโอกาสให้สามีได้ไหมคะพอดีเป็นชาวต่างชาติแต่ว่าทำ ม, มาด้วยกันแล้วก็ฟังซี ด, <ส>ด้ไหมพอฟังได้ค่ะอยู่ไหนล่ะค่ะ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 หรือสวดภาษาแขกสั้นๆก็ได้เมตตาสวดมนต์ได้ค่ะแผ่เมตตาก็สวดนะสวดอย่างนี้ก็ได้ของสมเด็จโตเมตตาคุณังอรหังเมตตาเมตตาคุณังอรหังเมตตาเมตตาฟังเที่ยวเดียวก็จําได้แล้วอันนี้การนัดสักัรหลวงพ่อค่ะส่งการบ้านในรอบสองปีครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าอยู่ในทางนะคะยมก็ไปพักเพียรรู้สึกจิตก็ตั้งมั่นขึ้นนะคะ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 กระทั่งจิตก็ไม่ใช่เรานะถ้าถึงตรงนี้มันจะขาดอารยยมรรคก็จะเกิดอแล้วตอนนี้จิตเขาตั้งมันจะดูกายดูใจได้บ่อยขึ้นนะคะดีแล้วตอนนี้จะเห็นทุกข์เยอะมากหมดดูกายก็ทุกข์ดูจิตก็ทุกข์แต่อย่าไปโหดร้ายกับมันนักนะต้องสงสารเออสงสารมันบ้างถ้าแต่นี้บางทีมันเบื่อคะ่ะช่วงเนี้ยหลวงพ่อแล้วก็ต้องไปนั่งทําสมาธิแบบให้มีพลังขึ้นมาให้ดูไปใจมีโทสะ เบื่อยังมียังไม่ยังมีตัวพ่าอ่เชนี้พี่ธาหลวงพ่อถึงบอกอย่าไปโหดร้ายกับมันค่ะมันโมโหแล้วอย่างนี้เราต้องเจริญเมตตาเยอะๆเออเจริญเลยนะแล้วของคุณอ่ะเจริญเมตตาแล้วดีนะเพราะจริงๆเป็นคนขีม้โมโหค่ะแล้วของโยมต้องมีอะไรปรับตรุงไหมคะหลวงพ่อเรื่องนี้แหละนะเรื่องที่เรื่องมันจริงจังไปจริงจังต้องผ่อนคลายใช่ไหมคะเพราะน่าให้มันสบายใจได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมัน เวียนกรรมกรรมของแกแกไม่ได้ครั้คราวที่แล้วหลวงพ่อก็บอกว่าปฏิบัติแต่ว่าอย่าโลภก็เลยไม่โลภแต่แค่ตั้งเป้าสดาบันตั้งเป้าได้นะแต่ตอนที่ภาวนาเนี่ยอย่าไปคิดถึงมันได้เมื่อไหร่ก็ได้ของโยมเนี่ยมันมันโลภไม่โลกเลยไม่เลยต้องปล่อยใช่ไหมมันจะเอาหรือจะเอาจะเอาเร็วๆนะแล้วปัญหามัอยู่ตรงนี้คคือใจมันเลยไม่เป็นกลางต้องเป็นกลางก่านี้นะคะหลวงพ่อกลับขอบพระคุณค่ะและโยมตั้งใจปฏิบัติทำถวายเป็น พุทธบูช า, าและถวายหลวงพ่อด้วยค่ะาสาธุนะแต่หลวงพ่อเนี่ยอิ่มเมอิบลูกศิษย์ถวายการปฏิบัติฟังแล้วดีนะฟังแล้วมีความสุขคลับนมัสการพระอาจารย์ครับเคยส่งกันบ้านหลวงพ่อหลายปีที่แล้วที่วัดสวนสันติธรรมนะครับก็นับตั้งแต่วันนั้นมาผมก็ตั้งใจปฏิบัติมาตลอด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 ท น, นี้เนื่องจากว่าอายุมากแล้วก็จะตื่นตื่นบ่อยตอนกลางคืนนะครับก็เลยถือโอกาสนั่งสมาธิปฏิบัติในรูปแบบไปเลยเออดีจ้ะเพราะว่าถ้าขืนนอนต่อไปมันก็ฟุ้งซ่านก็เลยเลยถือปฏิบัติในรูปแบบอะคดีแต่ตอนปฏิบัติเนี่ยสังเกตดูว่ามันมั น, ม, นมันมักจะเพ่งไปเพ่ง <laughs> แล้วก็อยากให้มันหายแต่นี้เมื่อกี้ฟังหลวงพ่อบอกว่าเออต้นนั้นต้นนี้มันเข้าไปแทรกแซงแล้วก็เลยรู้วิธีลแล้วนะเออราก็แล้วนะไปทําเอาที่โยมฝึกใช้ได้แหละดีคือต้องเยอะแล้วขอบพระคุณครับครับเราได้ฟังทำแล้วก็ถามตอบกันตามสมควรนะครับโอกาสสุดท้ายนี้ก็จะขอเป็นตัวแทนทุกท่านในศาลากล่าวคาถวายทา น, นครับ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 อิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิตชตูสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนารโสยาทามนีโชติระโสยาทาสัพีติโยวิวัชชนตูสัพรโรคโควินัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คาโยโกพวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังวิทาปจายโน เจตาโรธมาวัฏันตียอายุวันโนสุขขังพระลังสาธุ